นาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นการฟังธรรมก็ดีการนั่งสมาธิภาวนาหรือทมอะไรในทางพุทธศาสนานีท่านมักจะตั้งนโม คำว่าณโมนั้นหมายถึงความเคารพของพวกเราทั้งหลายนอบน้อมกราบไหว้บูชาละลึกถึงพระพุทธองค์คู่มีคนแก่สัตว์โลกจึงมีวิธีตั้งณโม นโมจริงๆก็คือให้กายวาจาจิตของเราเป็นผู้ตั้งพระพุทธเจ้านั่นท่านตั้งจนหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราทุกคนเนี่ยมันยังตั้งไม่อยู่ล้มลุกคลุกขานฟุ้งซ่านลำคาญจึงต้องมีระเบียบแบบแผนธรมเนียมเมือการได้ยินได้ฟัง มีการนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิเป็นนโยบายเป็นอุบายฝึกตัวเองนั่นแหละให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาในจิตในใจของเราความเชื่อความเลื่อมใสในใจนั้นยากที่มันจะเกิดมีขึ้น ท่านให้ชื่อว่าศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธาคือความเชื่อศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเรียกว่าภาระทั้งห้าเมื่อภาระทั้งห้านี้มีในจิตใจของผู้ปฏิบัติย่อมมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ท้อถอย ในการประพฤติปฏิบัติชอบในทางพุทธศาสนาท่านจึงมีระเบียบแบบแผนธรรมเนียมไว้ให้เรานั่งสมาธินั่งกรรมฐานเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงกลงหลับตาเนคอวา ทำตัวเป็นพระปิดทวานคําว่าพระปิดทวานนั้นโบราณอาจารย์เจ้าท่านสร้างพระขึ้นมาอย่างหนึ่งพระปิดทวานหรือว่าพระขวัมปติก็ว่ามีมือมากมายปิดตาสั่งสองข้างแล้วยังมีมืออีกสองข้างปิดหูแล้วก็ปิดจมกูก ปิดปากปิดทวารหนักปิดทวารเบาอันนี้คือเป็นนิมิตหมายให้คนเรารู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกส่วนนี่แหละไม่ให้จิตมันออกไปไม่ให้จิตมันหลงไปเหมือนกับว่าพระปิดทวารปิดไว้ไม่ให้มันออกไป ก็ได้แก่เรามารวมมาสงบจิตใจนี่แหละเมื่อเรานั่งแล้วสงบกายแล้วสงบวาจาแล้วก็สงบจิตจึงมีบริกรรมในธรรมะธรรมโมมากมายหลายอย่างหลายประการหรือว่ากรรมฐานทีสี่สิบห้องเป็นน้องอนาปา ล่วนแล้วแต่เรื่องปิดทวารพระภักขวัมพระปิดทวารทางนั้นแหละถ้าเราปิดทวารคือสังวรระวังในอินทรีย์ทั้งหลายตาเห็นลูกก็ไม่ให้หลงหูฟังเสียงก็ไม่ให้หลงจะโมกดมกลิ่นก็ไม่ให้หลงลิ้นลิ่มรสก็ไม่ให้หลงเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบร่างกายก็ระวังจิตไม่ให้หลง ความคิดนึกปรุงแต่งอมันปรุงแต่งอยู่ในจิตในใจดีชั่วประการใดก็ไม่ให้หลงคือปิดไว้รักษาไว้ไม่ตามอำนาจกิเลสในใจของตัวเองเรีว่าปิดเทวานทั้งเก้าปิดทวานทุกอย่างปิดอบายาภูมิกว่าไดปิดบาปไม่ให้เข้ามากว่าได้ รักษาไว้ซึ่งดวงจิตดวงใจไม่ออกเพ็นผ่านภายนอกก็ว่าได้จึงรวมเรียกว่าปิดไว้บังไว้ไม่ให้จิตหลงคำว่าหลงลืมไม่ใช่รูปร่างกายมันหลงจิตนั่นแหละมันหลงจิตคนเราเนี่ยมันเป็นผู้หลงเป็นผู้หล ง, เ ป, หลงเป็นผู้ไหล เป็นผู้ไปตามอำนาจกิเลสอยู่ตลอดกาลเพราะอะไรก็เพราะว่าจิตยังไม่สงบไม่ตั้งมัน่นยังไม่เห็นแจ้งด้วยตนเองเมื่อยังไม่เห็นแจ้งด้วยตนเองเนะี่ยมันเป็นจิตที่หลงหลงอยู่ในโลกหลงอยู่ในมนุษย์สโล เกิดมาเป็นคนมนุษย์คนในโลกเขาหลงอย่างไรจิตของเราไม่ภาวานาละกิเลสจิตไม่ตั้งมัน่นมันก็หลงไปตามคนตามโลกมนุษย์หลงไปตามเทวโลกหลงไปตามพร ม, มโลกความหลงเหล่านี้เป็นของแก้ได้มันหลงได้ก็แก้ได้ มันทำบาปได้เราก็ทำบุญแทนใจมันเกียดติ้านภาวนาเราก็มันขยันขึ้นมายกจิตยกใจของเราขึ้นมาให้มันสูงทรงอย่าหวั่นไหวสั่นสะเทือนอย่างคนขี้เกียดขี้ค้านมักง่ายอ่อแอแก้ตัวไม่เอาตั้งตัวตั้งใจ เมื่อเราดูพระพุทธโลกไม่ว่าแบบไหนนอนสีหส์สยญาติก็สง่าพาเผยนางกรรมฐานแบบไหนท่านก็แสดงความองค์อาจกล้าหาญแม่จะเป็นพระศีวลีภายบาดภายกรดถือไม่เท่าอะไรก็แสดงความองค์อาจกล้าหาญ ไม่ท้อแท้กลัวตายเหมือนเราทั้งหลายเราทั้งหลายนี่ทาหากว่านั่งสมาธิภาวนาหนอยปวดหลังก็ไม่ให้มันปวดปวดเอวก็ไม่ให้ปวดเจ็บอะไรต่อมีอะไรก็จิตมันคอยมายึดมาถือไม่รู้จักปล่อยวางมันจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตในใจนั่น ทุกทั้งหลายแหลไม่ว่าทุกกายทุกใจทุกนอกทุกในทุกอะไรก็ตามถ้าเราดูผิวเผินเข้าใจว่าทุกขมันอยู่ที่อื่นความจริงแล้วทุกทั้งหลายมันมาอยู่ที่จิตจิตที่เราภาวนาพุทโธพุทโธอยู่นั่นแหละมันมาอยู่ที่นี้เจ็บกายที่กองไหนในร่างกายเนี่ยมันก็มาเจ็บอยู่ในใจ จิตมันเป็นผู้เจ็บถ้าเราถามดูในร่างกายสมมติว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเกิดขึ้นในร่างกายที่กลองมันเจ็บมันว่ามันเจ็บมันปวดไหมเฉยมันไม่ว่าแล้วใครเป็นผู้เจ็บก็จิตอันนี้แหละจิตไม่สงบจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจิตไม่เลิกไม่ละจิตไม่เสียสละ อันนั้นละมันตัวทุกตัวเจ็บดูดเวลาคนเราที่เขาตายไปแม่จะตายวันนั้นเผาวันนั้นก็ลองดูพอจิตนี่ออกหนีจากร่างกายแล้วโูปร่างกายยังมีอยู่ทุกอย่างหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบมือเท่าร่างกายตัวตนเต็มบริบวน ลองเอาขึ้นกองไฟจุดไฟขึ้นมันหนีไปไหมคนตายคนนั้นไม่หนีสู้พวกเจ้าทางหลายจะเผาข้าก็เผาไปเถอะมันว่ายางไงข้าไม่หนีข้ายอมให้ไฟในหละไหมทิ้งนั่นคือว่านัา่นแหละคือจิตไม่อยู่ นี่สมมุติว่ากกองไฟจุดไฟให้ลุกแล้วมัดคนให้ขึ้นไปจิตใจยังอยู่มันไม่ยอมล่ะมันจะ ด, ดิน้นเอาจนดิ้นไม่ได้ละลองเอาจนลองไม่ออกล่ะนั่นละอะไรมันลองอะไรมันดิน้นดูให้ดีก็จิต ด, ดวงนี้แหละจิตที่เกียรติ้านภาวนา เจ็ตที่เกียตค้านไหว้พระสวดมนต์จิตที่บ่นว่าเป็นนั่นเป็นนี่เจ็บไข้ได้ป่วยกลัวตาย<ม>เจ็ตอันนี้แหละมันดิ้นล้นวุ่นวาย<ม>ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไว้ว่าจะกำหนดภาวนาบทใดข้อใดก็ให้รวมลงไปในจิตใจนั่น แล้วจิตใจนั่นก็อย่าไปมัวยึดโน้นถือนี่มีตัวก็ว่าตัวของกูถ้าเราถามดูว่ารูปร่างกายตัวนี้เป็นของกูเป็นของเราไหมมันจะไม่บอกว่าเป็นของใครเพราะรูปนี้มันดินเอาดินมาปั้นเป็นตัวคนเอาน้ํำผสมดินไว้เอาไฟ ความร้อนเอาลมความเย็นมารวมไว้สมมติว่าเป็นตัวเราของเราความจริงนั้นตัวอันนี้นั้นมันธาตุดินน้ำไฟลมเมื่อจิตมาคลองอยู่หน้าของข้าตัวของข้านอกจากยึดอยู่ในตัวนี่แล้วยังยึดออกไปถือออกไปภายนอกอีกด้วย ยืดยาวออกไปจนไม่มีที่สิ้นสุดจึงให้ชื่อว่าตันหากิเลสพันห้าตันหาร0อยแปดมันพัวพันอยู่ในจิตในใจนี่มาอย่างนี้ตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ทวนแล้วแต่ใจของคนเรามันก็ไม่ยอมรู้มันมีแต่จะหลงไป ลลงไปตามอำนาจกิเลสความโกรธเมื่อมันโกรธไม่ว่าโกรธให้คนให้สัตว์โกรธให้สิ่งใดๆความโกรธเกิดขึ้นแล้วปฏิพาน์โวหารดีวิเศษไม่มีใครสู้ได้ด่าก็ได้ดุก็ได้ทำอะไรได้หมดนั่นแหละเจดกิเลสอันนี้แหละ มันคลองอยู่ในตัวในร่างกายอันนี้ท่านจึงต้องให้อาศัยภาวนาตั้งอกตั้งใจอย่ามายึดถือตามความโกรธความโลภความหลงอย่าได้มาลุ่มหลงไปตามรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลให้ภาวนาในใจรวมจิตใจเข้าไปให้ได้อย่ามาหลงสมมุติ สมมติเขาสมมุติให้ว่าเกิดมาเป็นคนคนคนนี้เป็นชายท่านก็ไม่ให้หลงความเป็นชายคนคนนี้เป็นหญิงท่านก็ไม่ให้หลงในภาวะเป็นหญิงคนคนนี้มาโกนผมโกนค่้วเป็นพระเป็นเนนเป็นผ้าขาวนางชีท่านก็ไม่ให้หลงไม่ให้หลงว่าก้อนนี้เป็นตัวเราเป็นของเรา ให้เห็นเพียงว่าโลกเขาสมมุติว่าอย่างนั่นเองความจริงร่างกายสังขารอันนี้มันไม่ใช่ของใครเป็นของกลางโลกเป็นของโลกเขาคนเรายืมของโลกเขามาใช้มาประกอบคุณงามความดีทำดีทำชั่วทำบุญทำบาป ใครจะมายึดมัน่นถือมั่นว่าข้าพเจ้าเป็นนั่นเป็นนี่ก็ว่าไปเถอะเป็นอะไรมันก็ไม่พ้นความแก่ความชราเป็นอะไรมันก็ไม่พ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรมันก็ไม่พ้นจากความตายความตายไม่มีใครพ้นได้ ใครจะหลบลีกไปเหนือไปใต้ไ ป, ไปที่ไหนก็ตามมักจะเข้าใจว่าเราพ้นจากความตายไปได้แท้จริงมันไม่พ้นแต่มันยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเวลานั้นใครจะไปกำหนดให้ก็ไม่ได้เวลาของใครทำบุญทำบาปดีชั่วไว้อย่างไร มันก็มาตามกฎเกณฑ์นั่นนั่นใครทําบาปหยาบช้าทาลุนอายุสั้นพระลันตายใครทําบุญสุนทานปฏิบัติบูบชาภาวนาไม่ท้อถอยบุคคลผู้นั้นก็มีอายุยืนยาวข่าวไกลมีกิติศัพท์ชื่อเสียงโด่งดังเพราะว่าทําดีไม่ทํา บาปไม่ทำชั่วคนทำชั่วนั้นท่านว่าทำตัวให้ต่ำทำตัวให้เป็นทุกข์เป็นร้อนทั้งในโลกนี้ด้วยทั้งในโลกหน้าต่อไปด้วยพระพุทธเจา้าพระองค์จึงสอนไม่ให้คนเราทำบาปให้ทำแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล บาปมันจะเกิดขึ้นทางกายเมื่อใดเวลาใดเราละทิ้งให้หมดกายไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการชื่อว่าละทิ้งหมดไม่ทำตามมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือว่าภาวนานละกิเลสในจิตในใจให้หมดให้สิ้นเมื่อยังไม่หมดไม่สิ้นก็ ทำจิตใจดวงนี้หละให้สงบตั้งมั่นอย่าได้หวันไหวอย่าได้สั่นสะเทือนไปตามอำนาจกิเลสพระองค์เตือนไว้ว่าให้ภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจไม่ว่าภาวนาบทใดข้อใดยอมเป็นไปเพื่อความบรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานได้ทุกอย่าง ถ้าหาว่าภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกนึกถึงความตายได้ทุกลมหายใจยิ่งวิเศษเพราะว่าความตายนั้นไม่ใช่ว่าเรานึกถึงความตายมันจะตายเร็วเข้าไม่ใช่อย่างนั้นเป็นอุบายเตือนจิตที่ประมาทมัวเมา จิตเมื่อมันประมาทมัวเมาแล้วไม่นึกไม่เห็นความตายของตัวเองแม่คนอื่นจะตายกี่ร้อยกี่พันใจมันก็ไม่สลดสังเวชนั่นคือว่ามันไม่รู้สึกเราต้องนึกในใ จ, จเจริญในใจเตือนจิตใจดวงผู้ลูกภายในตัวภายในใจนี่ให้รู้สึกสำนึกใน ใ, นใจของตัวเอง วามาลณนะคือความตายนี่มันขยับเข้ามาเลื่อนเข้ามาใกล้เข้ามาแม่จะยังเด็กเล็กอยู่มันก็ใกล้ประมาทเมื่อใดบาปอากุศลเก่าของตนมาตามถึงเมื่อใดเวลาใดก็ตายเมื่อนั้นเวลานั้นไม่มีใครจะไปช่วยได้ มรณะภัยคือความตายนี้ท่านเปรียบอุปมาเหมือนสุนัขไล่เนื้อมันทันที่ไหนมันก็กัดเนื้อที่นั้นให้ตายไม่ว่าจะที่ภูเขาที่ลาบที่น้ําที่บกที่ไหนก็ตามมันทันแล้วมันก็กัดเหมือนสุนัขไล่เนื้อท่นว่าอันความตายของคนเรานี้ก็เหมือนกัน เวลามันไล่มามันไม่ไล่เหมือนสุนัขมันไล่อยู่ภายในดูให้ดีคิดให้ได้บางคนไปรถยนต์รถยนต์คว่ำตายในเวลานั้นทั้งรถก็มีตายเหลือไห้ก็มีไปตายโรงพยาบาลก็มี ยังไม่ถึงโรงพยาบาลตายก็มีโดที่มันเมื่อมันมามาถึงเข้าบางคนไปเครื่องบินเครื่องบินตกก็ตายอีกเหมือนกันลบลีกไม่ได้บางคนนั่งอยู่สบายๆนี่แหละเกิดลมขึ้นมา เกิดเส้นประสาทโลหิตฝอยแตกขึ้นมาก็ตายก็มีนอกนั้นยังจะมีด้วยอาวุธยุทธภัณฑ์กระทบกระเทือนขึ้นมาอีกก็ตายได้ทางนั้นแล้วเราจะมามัวหลับมัวไหลเพลิดเพลินจเจริญตาอยู่ได้หรือไม่รีบเร่งภาว น, นา จะต้องตั้งใจขึ้นมาแล้วเลิกขึ้นมาทีเดียววาตายเวลาใดก็จะให้อยู่ดีไปดีได้แก่ละกิเลสความโกรธในใจของตนให้หมดไปเสียก่อนละความโลภความอยากได้ในใจให้หมดให้สิ้นไปเสียก่อนละความหลงให้หมดให้สิ้นไปเสียก่อน มันจะตายเมื่อใดเวลาใดเป็นเรื่องของความตายใจไม่ต้องไปทุกข์ไปรอนดูตัวอย่างพระศาสดาสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าของเราทั้งหลายเมื่อพระองค์จะเสด็จดับขันเข้าสู่นาลือพานพระพุท ธ, ธเจ้าของเราไม่มีการสะทกสะท่านย่านกลัวต่อมลณาภัยคือความตาย ในกลางวันวันนั้นพระองค์สเสด็จเดินทางตลอดวันจนถึงพบข้าจึงมาถึงสวนไม้หลังใกล้เมืองกุสินาลายพ อ, อมาถึงเข้าสั่งพระอนนท์ให้ทาสะอาด เอาผ้าสังคาปูพระองค์ก็เข้าบันธมนอนสีหส์สายย์ไม่มีความสะทกสะทานย่านตัวต่อมาละนะภัยคือความตายแล้วท่านก็ไม่หยุดหลังจากบันธมเสร็จเรียบร้อยก็ตรัสพระธรรมเทศนา แสดงให้สาวกทั้งหลายฟังให้สาวกทั้งหลายรู้ว่าขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายแล้วมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีความเสื่อมไปชิ้นไปหมดไปอย่างนี้แหละท่านทั้งหลายอา่าได้ประมาทดูราตาาคต แปดสิบปีบริบูรณ์อยู่ไม่ได้แล้วเทกสุภิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาดูเราตถาคตให้ดีว่ารูปประขันธ์นั้นไม่มีอะไรที่จะมาแก้ไขได้ยาในโลกไม่มีประโยชน์อะไร เมื่อถึงคราวแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดโลกพระองค์ไม่กลัวนอนสิยหสย ญ, ญาติร่างกายสังขารลุกไปมาไม่ได้แล้วแต่พระธรรมเทศนาพระองค์เทศตลอดคืนก็ว่าได้เทศนาสั่งสอนอย่างนั้นจวนจะสว่าง พระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จดับขันเข้าสู่นะหรือผ่านไปนอกนั่นมาก็ไม่มีลมหายใจแล้วไม่มีดวงจิตดวงวิญญาณของพระองค์อยู่แล้วเหลือแต่ธาตุดินล้วนลวนเหลือแต่ธาตุน้ำล้วนลวนเหลือแต่ธาตุไฟธาตุลมล้วนลวน นามพระไทยใจพระพุทธิจาเรือว่าขาวสะอาดนับตั้งแต่ได้ตรัสลูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาตภายใต้ต้นไมโพแล้วนามพระไทยใจพระพุทธิจาไม่ทุกข์ล้อนเหมือนพวกเราทั้งหลาย นามละใจพระพุทธเจ้ามันใสสะอาไม่ไปเก็บเอาขี้ปลาทูปูเค็มอย่างพวกเราทั้งหลายมาไว้ในอกในใจดีใจท่านก็ไม่เอาเสียใจท่านก็ไม่เกี่ยวภาวนาแบบบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลส หลุดพ้นจากมนุษยโลกหลุดพ้นจากเทวโลกหลุดพ้นจากพรหมโลกโลกใดก็ตามจิตพระองค์ไม่ยินดียินลายไม่กลับกาะหลอกลวงไม่กลับมาอีกแล้วพอแล้วหยุดแล้วไม่มาเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายด้วยการกินการนอน อย่างโลกนี้ต่อมาอีกแล้ว น, น, นั่นคือน้ำพระไทยใจพระพุทธเจ้าไม่มาส่วนธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเมื่อถวายพระเพลิงเผาไฟแล้วมันก็ลงเป็นดินดินมันก็ลงเป็นดินธาตุน้ำก็ไปสู่ธาตุน้ำธาตุไฟก็ไปสู่ธาตุไฟ ธาตุลมก็ไปสู่ธาตุลมมโนธาตุธาตุจิตธาตุใจของพระองค์ก็เสด็จดับขันเข้าสู่นรืผภานอันเป็นสถานที่ไม่มีทุกข์มีแต่สุขจิตสุขใจอย่างเดียวจึงมีคำว่า <c oughs> นิพพานังปละมังสุขขงัง เนพานั้นเป็นสขอย่างเดียวไม่มีทุกขเนพานังปละมังสูนอยา่างเนพานั้นศูน ส, สิ้นกิเลสลาคะโทสะโมหะหมดไปไม่มีกิเลสกองไหนที่จะมาทำให้จิตใจของกระองค์มาทุกมาเดือดร้อนอีก เร้วว่าดวงใจของท่านถึงแล้วซึ่งนิพพานอยู่แล้วในนิพพานไม่ต้องมาเป็นทุกข์อย่างพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจิตไม่ภาวานาไม่ละกิเลสให้หมดสิ้นเมตตาก็เจ็บตาเป็นทุกขตาบนเพื่อลำไยอยู่ มีหูก็ต้องมีโลกในหูเป็นทุกขะหูอยู่ตลอดกาลมีจมูกมีดังก็เป็นทุกตามจมูกมีปากมีลล่นมีเขี้ยวมีฝันก็เป็นทุกขมมกับปากกับล่นกับเขี้ยวกับฝันเป็นทุกเพราะกิกก น, ก เ, กนเป็นทุ ก, ก, เ, ปกเป็นทุกเพราะถ่ายทุกเหล่านี้เราท่านทั้งหลาย เป็นผู้มีโยตลอดเวลาเดตนั้นต้องภาวนาเพียรเพ่งดูให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบอย่ามาหลงยึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลยึดสมมุตินิยมอันนี้โลกนี้เป็นโลกสมมุติ ยังไม่ตายเขาก็สมมุติให้เป็นนั้นเป็นนี่เป็นอะไรต่อมิอะไรเป็นอะไรก็มันเป็นตายนั่นแหละเป็นชลาพยาธิมลณะนั่นอย่ามายินดีพอใจเพลิดเพลินอยู่แค่ที่เป็นอยู่จงทำความรู้แจ้งแทงตลอดภายในจิตใจของเราอีกส่วนหนึ่ง ส่วนพระพุทธเจ้าพระอระหันตตาเจ้าทั้งหลายอันนั้นไม่ต้องไปช่วยท่านท่านช่วยตัวท่านเองได้แลวกิเลสลาคะท่านละหมดแล้วกิเลสโทสะโมหะท่านเลิกละหมดแล้วทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าทั้งพระอระหันตากีนาศ ท่านเลิกท่านละท่านเบือ่อท่านนายท่านคลายออกมาหมดแล้วทิ้งแล้ววางแล้วปล่อยแล้วยังเหลือแต่พวกเรามันยังไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ยอมภาวานามักจะอ้างการอ้างเวลาอยู่ฝนตกก็ภาวานาไม่ได้ฝนไม่ตกก็ภาวานาไม่ได้ แดดออกก็ภาวนาไม่ได้แดดไม่ออกก็ภาวนาไม่ได้ลมพัดก็ภาวนาไม่ได้ลมไม่พัดก็ภาวนาไม่ได้ได้กินดีอยู่ดีก็ภาวนาไม่ได้ไม่ได้กินแต่ว่าภาวนาไม่ได้อะไรมันมีแต่อุปสรรค เวลานั่งภาวานาท่านจึงให้เลิกละให้มันหมดความห่วงความอาลัยคนโน้นคนนี้ไม่ให้มีเกิดมาคนละครั้งละข่าวเวลาตายไปเราจะเอาคนโน้นคนนี้ไปได้ที่ไหนไม่เห็นหรือเขาตายโลกนี้เพื่อนกินหาได้ง่าย เพื่อนตายหาได้ยากเวลาจะกินเขามีเพื่อนกินอะไรขอให้ข่าได้กินด้วยคันเวลาเราตายเขาไม่เกี่ยวแกตายก็ตายไปคนเดียวตายข่าไม่ตายด้วยกินข่าเอาด้วยตายข้าไม่เอาอย่างนี้เรียกว่า เจ็ดใจอย่าไปพึ่งใครไม่มีที่พึ่งอื่นที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพุทธโธเมสลานังวารังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งดูตีพระพุทธเจ้านพึ่งได้จริงๆหมายถึงเราทาจิตทาใจให้ได้เหมือนพระพุทธเจ้านั่งก็พึ่งได้ นอนก็พึ่งได้ยังมีชีวิตอยู่กี่ร้อยปีก็พึ่งได้ตายไปก็พึ่งได้เหว่าสนานะภายในใจสงบตั้งมัน่นใจไม่หวั่นไหวใจแน่วแน่เป็นดวงเดียวใจรู้แจ้งในถาดดินถาดน้ำถาดไฟถาดลม ใจรู้แจ้งในกิเลสตัณหามานะทิฏฐิใจเลิกละตัณหาในจิตในใจออกไปให้หมดสิน้นไม่มีห่วงหน้าไม่มีห่วงหลังไม่มีวิตกวิจารฟุ้งซ่านลำคาญไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายตัวเราตายก็ไม่รองห้ คนอื่นตายก็ไม่ร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจความเป็นความตายมันเป็นธรรมดาของลูกประขันเมโลประขันที่ไหนมันก็มีแตกมีตายเป็นอยู่อย่างนี้ใครจะมาเยียวยาพยาบาลมาให้มันแตกมาให้มันตายเป็นไปไม่ได้จะเอาไปไว้ที่ไหน บอกได้ว่าฟังหรือถ้าบอกได้ก็ไม่มีคนเจ็บปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายไม่มีพอมันจะเจ็บขึ้นมาก็บอกว่าอย่าเจ็บเลยข้าพเจ้าเป็นห่วงเป็นอะไรมันหายไปไม่ต้องเจ็บอันนี้ไม่เป็นอย่างนั้น เวลามันจะเจ็บขึ้นมาไม่ว่าโรคชนิดใดมันถึงเอาจนเกือบตายไปทุกคนนั่นแหละเะ น, นั้นเราอย่ามานิ่งนอนใจสบายท่านก็ให้ภาวนาไม่สบายไม่อยู่ดีสบายยิ่งให้ภาวนาร้อยเท่าพันเทวีเพราะอะไรก็เพราะว่า เทวทูตทูตของเทวดามาบอกมาบอกว่าเราต้องเจ็บนะเจ็บแล้วเราต้องตายนะไม่ตายเวลาเด็กมันไปตายเวลาหนุมนะ่มหนามันมาบอกอย่างนั้นไม่ตายเวลาหนุม่มมันไปตายเวลากลางคนนะเห็นว่ามันมาบอกเทวทูตทูดเทวดา เมื่อแกชลาแล้วไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่านักบวชนักบ้านตายได้ทุกเวลาตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออกเราจะมันนิ่งนอนใจอยู่ได้หรืออยามาเพลิดเพลินหัวเราะเฮฮาได้อยู่หรือ เมื่อภัยอันตรายมันลกกล่เราท่านทั้งหลายมรณะภัยคือความตายนี้ท่านเปรียบอุปมาเหมือนหนึ่งว่าภูเขาสูงจดท้องฟ้าบิงมาทั้งสี่ทิศว่าอย่างนั้นสัตว์ตัวไหนคนผู้ใดอยู่ใกล้ก็แหลกกลานก่อน โคได้ยังไก่ก็ค่อยแหลกลานมาทีหลังท่านเปรียบให้เห็นพือให้ใจเรารู้ไว้รู้ไว้ว่ามันหนีไม่พ้นเหมือนโพเขาใหญ่กลิ้งมาทั้งสี่ทิศเราอยู่ในตรงกลางจะเลกไปทางไหนไม่มีทางเล ใครอยู่ใกล้ก็ตายก่อนแหลกลานก่อนใครอยู่ไกลหน่อยก็ตายทีหลังแล้วจะมีใครพ่นไปได้ไม่มีตายทั้งโลกคนในโลกมีหลายพันล้านสี่พันล้านห้าพันล้านก็ตามเมื่อมละนะภัยคือความตายมาถึงคข้าตายทั้งนั้น ไม่มีใครเหลือเหลือแต่ขี้เท่าขี้ฐานเท่านั้นเองแล้วยังจะประมาทมัวเมาหลงไหลอยู่หรือยังจะมามัวหลับมัวไหลฟุ้งซ่านลำคาญอยู่ตลอดการไม่สมกวรต้องเร่งรีบรีบเร่งรีบก็คือว่าตั้งใจภาวนาพุทโธในใจ ทำโมสังโฆในใจเนึกน้อมภาวนาให้ได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นกลางวันก็ภาวนาได้ไม่ว่าจะเป็นกลางคืนก็ภาวนาได้เป็นเด็กก็ภาวนาได้ยังนุมแน่นก็ภาวนาได้ แกะชรายิ่งภาวนาดีไม่ภาวนามันจะตายเสียก่อนนั่นยาได้ประมาทผู้ประมาทคือว่าไม่ภาวนาทุกลมหายใจไม่มองเห็นความตายที่จะมาถึงตนทุกลมหายใจเข้าออกนานแล้วเป็นคนประมาท ประมาทว่าเรายังเด็กอยู่คงไม่ตายง่ายง่านความประมาทประมาทว่าเวลานี้โรคภัยไข้เจ็บยังไม่มีหรือมีก็นิดๆหน่อยคงไม่ตายง่ายง่ายเป็นความประมาทเวลาความตายมาถึงเขาจะร้องให้ใครช่วยมันช่วยได้ที่ไหน ไม่เห็นหรือเวลาเขาตายไปไม่มีสมบัติพัฒสถานอะไรหอบหิวไปได้ร่างกายสังขารก็ทิ้งไว้บนแผ่นดินนี้เมื่อมาเกิดแล้วมีใครหอบสมบัติพัฒสถานมาจากพบก่อนหนหลังโน้นแบกทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของมาไหมเวลาเกิด ก็ไม่มีอะไรมีแต่หนังหุ้มกระดูกทุกคนมาเท่านี้แลผ้าผ่อนท่อนสบายแม้สักชิ้นเดียวปกกายมาก็ไม่มีทำไมเมื่อใหญ่แล้วจึงดิ้นลนวุ่นวายกระสับกระสายไม่ละกิเลสความโกรธในใจนี่ให้หมดไป ไม่ละความโลภในใจให้มันหมดละให้มันหมดวางให้มันหมดละความหลงในจิตในใจให้มันหมดใสสะอาดปราศจากมนทินโทษทั้งหลายไม่ให้ใจเล่าร้อนวุ่นวายสงบนิ่งแน่เป็นดวงเดียวเอกังจิตตังเป็นจิตดวงเดียว เอกโกธรรมโมเป็นธรรมดวงเดียวเอกโกปริโสเป็นชายคนเดียวเป็นหญิงคนเดียวเป็นใจดวงเดียวแน่วแน่มัน่นคงเมื่อเกิดมาเราไม่มีอะไรติดตัวมาเมื่อตายไปเอาใครไปไม่ได้จะมาห่วงอะไรอยู่ในกองกระดูกนี้ทำไม ทำไมไม่ลุกขึ้นภาวนาไม่ทำความเพียรให้เต็มกำลังความสามารถมาหลงยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนอยู่ทำไมให้พกกากันตั้งใจคำว่าตั้งใจนะมันตั้งหมดทุกอย่างนั่นแหละกายก็ตั้งวาจาก็ตั้ง ตหูจโมกลีนกายจะมันตั้งทั้งหมดเมื่อมันตั้งทั้งหมดแล้วมันจะหลงไหลไปได้อย่างไรไม่มีทางที่มันตั้งไม่ได้นะมันล่มลุกคุกคานอยู่ตลอดกาลพุโทโธไม่อยู่ในใจทำโมไม่อยู่ในตัวสังโฆไม่อยู่ในจิตในใจ เมื่อใจไม่ตั้งใจไม่ภาวนามันก็เลี้ยวเลี้ยวไหลเหลี้ยวแหลกใจไม่ตั้งใจไม่เอาหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้หนักก็ว่าหนักไม่ไหวเบาให้นั่งหลับตาภาวนาพุทธโธพุทธโธเบาก็ไม่สู้อีกนี่แหละคือว่าใจหลงใจมานใจกิเลส ใจกิเลสตัณหามานะทิฐินี่พระพุทธเจ้าสอนสาวกในขั้งพุทธกาลท่านให้ละทิ้งอย่ามายึดเอาถือเอาไม่ให้มาติดชาติตระกูลไม่ให้มาติดตัวติดตนติดสมมุติต่างๆท่านให้ภาวนาลูกเดียว ท่านให้ละกิเลสให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปก่อนชีวิตจะแตกดับตายไปให้ละกิเลสความโกรธให้หมดไปละกิเลสความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไปเจิตใจจะได้เข้าถึงความสงบระ ง, งับเยือกเยน็นในกายวาจาจิตของตัวเอง เหตุนั้นต่อไปอย่าเป็นคนประมาทเราเคยประมาทมัวเมามาแล้วอย่างนี้นับไม่ถ้วนแล้วในชาตินี้ก็มีแต่ความประมาทมัวเมาในชาติก่อนหนหลังก็มีแต่ความประมาทมัวเมาแล้วยังจะประมาทมัวเมาไปถึงไหนความตายมันใกล้เข้ามา ความแก่ชรามันใกล้เข้ามาความเจ็บไข้ได้ป่วยมันมาเตือนจิตใจเราอยู่ทุกวันคืนในนั้นยาได้ประมาทผู้ประมาทเหมือนคนตายคนที่ตายแล้วทำอะไรไม่ได้นั่งภาวนาไม่ได้เดินจมกลมไม่ได้ฟังธรรมไม่รู้เรื่อง นั่นคือคนตายเมื่อพวกเรายัางไม่ถึงขั้นแตกตายให้เลบสดับรับฟังจดจำธรรมคำสั่งสอนได้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบสุขเยือกเย็นเห็นจริงเห็นแจ้งในทุกภายในวัตตะสงสาร จะได้เลิกละกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปก่อนความตายจะมาถึงเขาไมเมใครจะมาช่วยตัวเราได้ดีเท่ากับกจิตใจของเราได้เลยโพพวนาโยนั่งโยก็ภาวนานั่นแหละช่วยตัวเองนอนโยก็ภาวนานั่นแหละช่วยตัวเอง ยืนโยก็ภาวานานั่นแหละช่วยตัวเองหลับแล้วก็แล้วไปตื่นขึ้นมาก็ภาวานาเป็นนิจสินนน่แหละเราท่านทั้งหลาย